อ่าภรรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เรามาพบกันในเรื่องมัทใดกุณฑลีเทพบุตรสําหรับมัทใดกุณฑลีเทพบุตรนี้ก็มาจากพุทธานุสติกรรมฐานเหมือนกันที่นําเรื่องราวพุทธานุสติกรรมฐานซึ่งที่เรียกกันว่า ปูชามหาเตชวนโตการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าย่อมมีเดชอำนาจมากในความจริงเดชะเดชอำนาจของสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากจริงๆแม้แต่โศกเทพบุตรเดิมทีเป็นสุนัขแท้ๆ พระสหายในการความดีของพระประเจกก็พุทธเจ้าอย่าลืมว่าพระประเจกกับพุทธเจ้ากับพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสภาวะเหมือนกันที่ว่าเหมือนกันกับพระว่าเป็นพระที่มีความบริสุทธิ์เหมือนกันและก็บรรลุธรรมโดยมีใครไม่ต้องสอนเหมือนกัน อนุภาพแห่งพระปัจเจกกับพระได้จากจึงสูงกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหมดแม้แต่อกะสาวกทั้งสองก็ยังไม่เสมอเหมือนมีอาการคล้ายคลึงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นไว้แต่เพียงว่าคือองค์บรรลุแล้วไม่สอยใครให้ไปนิพพานคือว่าไม่ได้ปล่อยคําสอนให้ได้ก่อนนิพพานถ้าว่าบุคคลใด <c oughs> ต่างใจในกระบวนการดำเนินการบำเพ็ญทานรักษาศีลท่านก็สอนนี้แปลว่าคอสกเทพบุตรเป็นสุนัขไม่รู้จักธรรมศีลไม่รู้จักฆมถานเป็นได้เพียงมีความรักในพระประเทคกับพระพุทธเจ้านั้นจะเห็นได้ว่าเดชอํานาจของพระประเทคกับพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีอานุภาพมาก <c oughs> แค่สุนัขมีความรักในพระองค์ก็สามารถไปสวรรค์ได้นี่เรื่องของสุนัขกับบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมเสียเราจงอย่าพากันหยิบน้ํายามสัตว์เดรัจฉานว่าเขามีความเลียวกว่าเราสัตว์เดรัจฉานสามารถไปสวรรค์ได้ถ้าเราไปสวรรค์ไม่ได้ล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เราจะมีความรู้สึกยังไงว่าเรากับสัตว์เดรัจฉานใครเลวกว่ากันเมื่อสัตว์เดรัจฉานตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาเราทราบว่าบังเอิญคนที่เกิดมาถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าตายแล้วตกนรกท่านลองช่วยกันพิจารณาดูทีว่าใครจะวิเศษกว่าใคร สติระฉันที่เสกกว่าคนหรือว่าคนที่เสกกว่าสติระฉันลองไม่ช่วยกันพิจารณาเรื่องนี้อาตมาขอตั้งให้ท่านผู้ฟังทั้งหมดคณะกรรมการผู้ตัดสินอาตมาไม่ขอเกี่ยวข้องเป็นได้เพียงตั้งปัญหาไว้ให้เท่านั้นท่านจะตัดสินกันมายังไงก็เป็นเรื่องของท่าน และนี้สําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคนที่รู้คุณในพระพุทธเจ้าเดิมจริงๆเขาไปมนุษย์ชื่อไรอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในพระบาลีธรรมะได้บอกไว้ว่าเขามีนามก่อนว่ายังไงอันนี้ไม่รู้ พระรูได้เพียงว่ามาเค้าเกิดเป็นเทวดาแล้วมีนามว่ามัทตะกุณฑลีเทพบุตรคําว่ามัทตะกุณฑลีเดมัถะกุณฑลีหน้าก็จะเป็นมัถะถอฐานมัถะกุณฑลีนี้แปลว่ามีต่างหูเกลี้ยงหมายความว่าต่างหูที่เค้าใส่ประจําตัวเป็นต่างหูที่ไม่มีเพชรนิลจินดาประดับ ไม่มีแก้วเครื่องประดับเป็นต่างหูทองคําล้วนๆเก่งเกลี้ยงที่มีนามว่ามัจจคุฑฑลีเทพบุตรคําว่าเทพบุตรหรือว่าเทวดาก็คือเทวดานั่นเองแต่ว่าเทวดาองค์นี้จะเป็นลูกของใครก็ตามพระบาลีก็ไม่ได้บอกเหมือนกันเทวะแปลว่าผู้ประเสริฐบุตรก็แปลว่าลูก จะเป็นลูกของใครบาลีไม่บอกไว้นี่ก็ตามใจอยากไม่บอกก็ไม่โทษแต่ขึ้นพูดผิดจากบาลีดีไม่ดีก็ต้องไปนอนกับเทวทัตไม่เอาแล้วก็อยู่กับองค์สมเด็จพระเถิกเจ้าอรหํสาสนดาดีกว่าไม่ยอมไปอยู่กับเทวทัตจะไม่เดินขบวนตั้งสมาคมอะไรกับเขานั่นในนามคณะสงฆ์ระยำระยำแบบนั้นอาตมาไม่เอาด้วย ฟานจริงไปใช้นามคณะสงฆ์มันไม่ถูกอาตมาไม่เคยไปร่วมกับเขาและเข้าใจว่าพระที่ดีหลายที่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงประมาณ 90% ก็ยังไม่ยอมเข้าไปร่วมด้วยแต่เค้าก็ช่วยตั้งชื่อให้คณะสงฆ์ที่มันสร้างความเลวให้กันแท้ๆถ้าเราคุยกันต่อไปเรื่องมัตตกุนฑลีเทพบุตรความเดิมมีมาอย่างนี้ ก็บรรดาในสมัยองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตรัสชนอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้เทศรดบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นกิจประจำแต่ว่ายังมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอทินนกะปุพพกัปปราม เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีความจริงชื่อของแก่จริงๆที่ว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาทินกะอุปปกะพราหมณ์นี้เป็นนามตามฉายาตามประพฤติปฏิบัติของแก่อาทินกะแปลว่าไม่เคยให้อุปการะในการก่อนเป็นอันว่าตาพราหมณ์คนนี้แกเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีทรัพย์ตั้ง 80 โกศมีเมียอยู่ 1 คน แกก็มีลูกชาย 1 คนรุ่นหนุ่มเป็นลูกที่รักมีข้าทาสหญิงชายผสมควรแต่ว่าเป็นเศรษฐีพิเศษคือไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมโลกคตและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ว่าทานการกุศลไม่เคยให้เลยนี่คนจะเรียกว่ากินบุญเก่า การจริงเรื่องของการกินบุญเก่านี้จะพูดต่อไปในวันหน้าจะได้รู้ว่าการเกิดมาแล้วร่ำรวยแต่ไม่ทําความดีต่อกินบุญเก่าจะมีผลเป็นประการใดเอาไว้คุยกันในเรื่องของอนันทะเศรษฐีบางทีจะอยู่อีกหลายวันจริงจะได้พบกันในเรื่องอานนท์และเศรษฐีพอพูดไปแล้วมันนึกถึงอะไรขึ้นมาได้ก็จะพูด ค้างเอาไว้แล้วจดไว้เป็นอนุว่าท่านเศรษฐีคนนี้ไม่ยอมให้ทานในการก่อนและในการปัจจุบันนั้นก็ไม่ให้ทานองค์สมเด็จพระอิจิตตมานบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเดินเที่ยวบ้านใกล้บ้านอยู่ทุกวัน แต่ว่าเสธีคนนี้นั่นเด้อพราหมณ์คนนี้แกก็ไม่ยอมให้อะไรมาวันหนึ่งปรากฏว่าลูกชายสุดที่รักของแกป่วยหนักเริ่มปวดก่อนเพี้ยเพิงหนักไม่ใช่โรคอหิวาตก็ปรับคนหนักเลยคนพูดนี่มันก็จะพูดลั่นๆไปไคลหัวของตัวเหมือนกันคนหัวลานชอบพูดเรื้อร แควไรเป็นหน้าที่ของคนนอกโครเมื่อบุตรชายพ่อช้ำตัวเริ่มป่วยท่านพ่อท่านแม่แสนยะขี้เหนียวเสื้อตังค์บาทเดียวก็ไม่อยากจะจ่ายจึงไม่ยอมหาหมอไปเก็บยากันมาจากในป่าคือสมุนไพรเอามาต้มให้ลูกชายกินตรงยาเองเอ๊ยแสเท่าไหร่อาการของลูกชายก็ไม่ปรากฏ <c oughs> ไปมันจะดีขึ้นกลับสุดหนักลงไปใกล้จะเข้าตรีโทษไอ้สมัยนี้เค้าเรียกโคม่าไอ้โคม่านี่เค้าแปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่ทราบถ้าเรียกว่ากันเป็นไทยๆประสมภาษาบาลีโคม่าเค้าแปลว่าโคกับม้าตัวทั้งโคทั้งม้าไม่แก่เรื่อง เป็นเอาใช้ภาษาไทยแกมบริวตรีทูคมตรีทูตนี่ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอาก็แจงนี้ดีกว่าว่าอาการมันใกล้ตายเต็มทีภาษานี้เข้าใจชัดบรรดาท่านผู้ตนบริษัชจะไม่ต้องเป็นนั่งแปลเมื่อกายของลูกชายร่อแรกใกล้จะตายเขาจะมานั่งนึกในใจว่าเราเป็นมหาเศรษฐี มีญาติมากมีคนเคารพนับถือมากเขาคิดอย่างนั้นแต่ความจริงจะมีคนเคารพเขาหรือไม่มีคนเคารพก็ไม่ทราบเขาคิดว่ามีคนเคารพเขามากเพราะมีคนรู้จักมากในฐานะตำแหน่งมหาเศรษฐีเพียงมากใครก็รู้ว่าถ้าลูกชายของเรานอนในห้องอภิสิทธิ์คือห้องที่สวยสดงดงามแบบนี้ถ้าผู้ญาติญาติรู้ค่าว่าลูกชายของเราป่วย ถ้ามาเยี่ยมเพงของนี่ดีมาขอเราให้มันจะไม่ให้ก็ไม่สมควรถ้าดีดีเราก็จะเอาลูกชายไปนอนที่ข้างนอกที่ระเบียงบ้านเวลาญาติโลดคนทั้งหลายมาเยี่ยมลูกชายแกได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของเรานี่ดูแต่บรรดาท่านพ่อตบริษัทคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าลูกคนที่รักทรัพย์สินมากกว่าชีวิต คนที่รักทรัพย์สินมากกว่าความสุขที่ตนจะเป็นได้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเสียเงินเสียทองแม้แต่ลูกชายป่วยไม่กล้าจะช่วยใดการจ้างหมอมารักษาเก็บยาเองพอลูกชายมันนอนอยู่ที่ระเบียงบ้านพ่อก็ยังปฏิบัตการตามนั้นเอิ่มไหม้เพราะว่าท่านพ่อก็เก็บยาไม่ลูกตามเดิมอาการมันก็ทุรหนักลงไป ทีมพ่อลูกชายมานั่งคิดในใจบะโอนหนอคุณพ่อของเราท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินตั้ง 80 โกดมีทรัพยากรอื่นอีกมากแค่ยารักษาโรคจะจ้างหมอมารักษาเราเพียงเท่านี้บิดามารดาของเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้วงทรัพย์วงสินทั้งหลายที่มีไว้มากมายมากกว่าชีวิตของลูก เถินนอนปลงอนิจจังเพราะเวลานี้บิดามารดาไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายที่บิดามารดารักษาไว้จากต้นตระกูลเดิมก็มากมายไม่สามารถจะเป็นประโยชน์ไอ้การทางร่างกายก็เพียบแปะลงมาทุกทีเป็นอันว่าเทอนี้หนักใจว่าความตายจะต้องต้องเข้ามาถึงเราแน่ ยามค่ําคนดูคิดว่าองค์สมเด็จพระบรมครูศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จอยู่ในเมืองนี้ปินบาศใกล้บ้านทุกวันบิดามารดาของเรานั้นไม่เคยแนะนําให้เราไหว้พระไม่เคยแนะนําให้ยกมือไหว้พระซึ่งเจ้าบ้านเขาพากันเคารพนับถือเป็นมาก เมื่อบิดากันไปฟังเทศน์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสรณะสัพพกสลสัพสร้างวิหารฐานได้ทรงพระองค์สมเด็จพระวิหิตมานพร้อมไปด้วยพระอิสสุทถ์ 9 สละทุนทรัพย์ใหญ่กันได้แต่พ่อของเราเป็นมหาเศรษฐีแม้แต่สตางค์เดียวก็ไม่เคยมีที่จะเสียสละ จะว่าแต่พระพุทธเจ้าจะว่าแต่พระอรหันตสาวกเลยไม่ได้ขอทานและสัตว์ที่เลื้อยคลานเดินมามีความหิวไม่ได้เสร็จอาหารมิตราของเราก็ไม่เคยให้ให้เป็นประโยชน์เธอมาพิจารณาว่ากายครองร่างกายและอยู่กับวิญญาณที่มีความเหนียวนั่นแบบนี้เป็นการหนีโทษก็คิดในใจว่าเวลานี้เราจะต้องตายแน่ อาการทางกายมันเพลแปรลงไปกันทีขยับขยื้อนก็จะไม่ไหวแต่ได้ว่ากําลังใจของเธอดีเธอยังได้มาติดจัดจินใจเป็นขั้นสุดท้ายว่าถึงเสร็จแล้วเราไม่หิงใครจะเป็นที่พึ่งได้นอกจากองค์สมเด็จพระจอมไตรวิรมย์ศาสดาสัมมาสัมพุทธนี่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอให้พ้นทุกข์ได้ ในการทนทุกข์ในดินนี้เธออาจจะคิดว่ามีใช่ไหมเค้าเล่าลือกันว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษคงจะหวังว่าถ้านึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมมาโรโกไกเทศนางคงจะหายจากอาการไข้หรือว่าจะคลายทุกขเวทนาจะเข้าทํานองนี้เรียกว่าภาวนาการตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เป็นอันว่าเธอก็ตัดสินใจนึกถึงคุณองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาโดยภาวนาว่าอิติดิรัจโฌภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือว่าพุทโธธรรมดาก็ไม่ทราบท่านนี้เพราะอะไรก็ตามบาลีท่านบอกว่าเธอนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอให้พระพุทธเจ้าชูช่วยเธอพ้นจากความทุกข์ จิตใจนึกจุดเดียวคือพระพุทธเจ้านึกว่าขอพระพุทธเจ้าจะมาช่วยข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดการคิดกรรมหนึ่งของเธอปรากฏรอดใช้เวลาไม่นานเธอก็หายจากโรคแต่ความจริงการหายจากโรคในที่นี้มันหายเลยจริงๆโรคไม่ปรากฏอีกเพราะว่าจิตของเธอออกจากร่างไปแล้ว อิจิตออกร่างจากร่างไปร่างกายมันไม่มีนี่ร่างกายมันนอนแผ่หลา 2 สะหลึงไม่ถึงบาทแล้วไว้จิตใจของเธอนวยนาดออกจากร่างไปคือจิตใจที่ออกจากร่างไปมันไม่ได้ไปเป็นดวงตามกฎที่เค้าเรียนกันในอภิธรรมมันออกไปเป็นกายของมนุษย์ที่ว่ากายแบบมนุษย์ นแก่กายของมนุษย์เราเรียกว่ากายทิพย์อันนี้ไม่เรียกว่าอทิสมานกายอทิสมานกายเนี่ยเราพูดกันก็เป็นกลางๆว่ากายที่เรามาไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจะเป็นกายทิพย์หรือไม่ทิพย์ก็ยังไม่แน่ถ้าเป็นกายก็สัตว์อบายภูมิไม่เรียกว่ากายทิพย์เป็นกายสัตว์นรกกายเปรตกายอสุรกายกายกายสัตว์เดรัจฉาน แต่สําหรับมัททกุณฑลีนี้เมื่อจิตออกจากร่างกายของเธอเป็นกายทิพย์ปรากฏว่าไปเกิดบนเป็นที่บรรดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สเทวะโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าแต 500 เป็นบริวารร่างกายของเธอประดับบรรดาเป็นเครื่องประดับอันเป็นทิพย์มีต่างหูทองคําเกริ้งเพลก็นั่งพิจารณาดู เพราะเรานี่เรามาเป็นที่วรรณนาได้เพราะเหตุใดก็นึกขึ้นได้ด้วยความเป็นทิพย์ของจิตรู้ได้ทันทีว่าเราเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีนามอสินนกะผู้พะกับพระภาก์ตามชัยยาแต่ทราบว่าบิดามารดาเป็นคนขี้เหลียวไม่สงเคราะห์เราในการปล่อย เราก็อย่าตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงโซดเดียวนี่บุญเล็กน้อยเพียงแค่ระยะ 2-3 ชั่วโมงที่เราตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเรามาดาวิมานทองคํามีลางฟ้า 500 เป็นบริวารมีเครื่องทิพย์บริโภคมากร่างกายเป็นทิพย์ประดับบรรดาด้วยเศียรทิพย์ทศใส นี่ถ้าหากว่าบิดามารดาของเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเคารพในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์และปฏิบัติความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความดีที่องค์สมเด็จวชิราวุธทรงประทานขออย่าโปรดให้เรามีความดีมีสติประสบธรรมมากกว่านี้ มีบุญญาธิการเหลือกว่านี้มากถ้าเธอใคร่ควรดูแล้วก็พิจารณาดูโรงไกลว่าเวลานี้นี่บิดามารดาของเราทํายังไงหลังจากที่มัทตะกุณฑลีลูกชายตายแล้วปรากฏว่าท่านพ่อท่านแม่เสียใจมากเอาศพไปฝังไว้ยังป่าช้านี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ายังไม่เผา คนเราเวลาอยู่เกลียดป่าช้าหรือเกินเขาว่าเป็นสถานที่สกปรกบ้างเป็นสถานที่น่ารังเกียจบ้างเป็นสถานที่น่ากลัวบ้างแต่ว่าพอตายไปแล้วไม่มีใครคนป่าช้าไปได้ถ้าไม่เป็นนอนในป่าช้าเขาเอาไปเผาในป่าช้าเป็นอันเราต้องเข้ากันแน่เมื่อเท่าเวลาลุงไปดูก็รู้ว่าเวลานี้ร่างกายเดิมของเธอ เธอไม่มีความเสียดายเพราะมันสุกครบมันละทิ้งไว้ได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเข้าไปฝังไว้ในประช้าแล้วก็ท่านอิดาของเธอกําลังไปร้องไห้คิดถึงลูกชายสุดที่รักเมื่อเธอเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารบิดาเพราะนี่ถ้าบิดาของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิมีความเป็นภูมิ ก็คงจะช่วยลูกในการรักษาของหมอเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ว่าดีแล้วเราตายมาเป็นเทวดาดีกว่าความเป็นคนมากความยากลําบากสักนิดนึงก็ไม่มีร่างกายประกอบด้วยความเบาอาหารที่เราต้องบริโภคก็ไม่ต้องความหนาวความน้อยความหิวความกระหายการปวดอุจจาระปัสสาวะไม่มีร่างกายจะมีเหงื่อมีคายเท่านี้ก็ไม่กลั่นกด เป็นความดีที่เรานึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมอุปถัมภกชินในนามว่าพุทธานุสติมฐานอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัตรท่านภาวนาว่าพุทโธใครก็โยนพุทโธทิ้งไปก็ชั่งเขาเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัตรท่านนั้นหลายฟังเรื่องนี้เป็นตัวอย่างเก็บเก็บไว้เป็นสัมบัติของท่านอย่างน้อยที่สุดท่านอย่าเป็น สวัสดีได้อย่างมัตตคุฑลีเทพบุตรเมื่อเธอพิจารณาเห็นบิดามากินร้องไห้ทั้งใจจะทรมานจึงกลับใจของบิดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินี้ก็รู้สึกว่าเธอแม้จะตายมาเป็นเทวดาก็ยังเป็นลูกชายที่ประกอบด้วยความกตัญญูรู้คุณบิดามารดามีกรุณาความสงสาร แต่เป็นความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านกล่าวว่าท่านนั้นหลายสามารถจะมีทิพยจคุยานได้ท่านจะเห็นมรณ์คนตายทุกคนถ้าไม่ไปอบายภูมิใครจะกลับมาสู่บ้านเยี่ยมคนนั้นถามคนนี้ให้วุ่นไปแต่ว่าที่เรารู้ไม่ได้พวกเราไม่เห็นเราไม่ได้ทิพยจคุยานไปเอาเรื่องนี้ผ่านไป เมื่อเธอต้องการจะทรมานบิดาที่ได้แปลงกายเป็นหนุ่มน้อยมีผิวเหลืองมายืนอยู่ใกล้บิดาร้องไห้เหมือนกันเห็นพ่อร้องไห้เธอก็ร้องไห้ตามเมื่อท่านบิดาเห็นว่าตัวร้องไห้อยู่คนเดียวเจ้าหนุ่มคนนี้โผล่ๆมาก็ร้องไห้มาเหมือนกันภูมิใจเหลือเกินยินีถามว่าเธอร้องไห้ทําไม แล้วบรรณูคนนั้นก็ถามบ้างเพราะก็ท่านมหาเศรษฐีร้องไห้ทําไมแต่มหาเศรษฐีก็ตอบว่าเราร้องไห้นึกถึงลูกชายของเราที่ตายเราต้องการให้ลูกชายคนเดียวที่รักของเราที่ตายไปแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อจะได้ครองทรัพย์สมบัติแทนที่ลูกชายของเราตายเราหมดญาติญาติสมบัติที่ไม่รู้ไหนแกใจว่าคนจะมาให้ใครใคร แล้วก็ไปท่านมหาเศรษฐีจึงได้ถามว่าเธอได้ร้องไห้เพราะอะไรเขาก็ตอบว่าข้าพเจ้าร้องไห้เพราะว่าอยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เอามาเป็นล้อรถของเรารถของเรามีอยู่แต่ก็ขาดล้ออยากจะได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถท่านทั้งหลายฟังแล้วก็แปลกใจ เวลานี้น่ะมีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้สถานที่บันทึกเค้ามีงานกันเสียงมันรอดเข้ามาในห้องบันทึกเสียงท่านมหาฤาษีได้ฟังก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่ป้ามีใครที่ไหนที่สามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้เจ้าหนุ่มก็ได้ถามว่าก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่ท่านมองเห็นมั้ยเวลากลางวันเราเห็นดวงอาทิตย์ ในกลางคืนเราเห็นดวงจันทร์เราต้องการดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทํามาเป็นล้อรถของเราท่านเห็นเมื่อเราบ้านแล้วก็ท่านณเวลานี้ลูกชายของท่านตายไปแล้วท่านทราบไหมว่าวิญญาณในจิตของเขาไปอยู่ที่ไหนอิตาเศรษฐีก็บอกว่าไม่รู้ชนหนุ่มคนนั้นจึงได้กล่าวว่าคนที่มองไม่เห็นจิตของลูกชายว่าเวลานี้ไปอยู่ที่ไหน แต่เรามองหิรดวงจันทรอาทิตย์ปรารถนาอยากจะได้ดวงจันทรอาทิตย์มาเป็นรอรถแต่ว่าปรากฏว่าท่านไม่รู้เลยว่าจิตของลูกชายของท่านไปสถิตอยู่ณที่ใดท่านจะเรียกร้องให้กลับมาเกิดใหม่แล้วกับท่าน 2 คนนี้ใครจะบ้ามากกว่ากันคนที่มองเห็นของอยู่จะพ่อตาและปรารถนาอยากจะได้จะบ้ามากกว่า ว่าคนที่มองไม่เห็นสภาวะที่ตนปรารถนาคือจิตของลูกชายจะบ้ามากกว่ากันท่านเศรษฐีได้ฟังอย่างนั้นก็จนใจไม่รู้จะตอบยังไงจนได้เกลามัทคุณฑลีเทพประวัติจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏเออเรานี้คือลูกชายของท่านเศรษฐีแปลกใจว่าเป็นไปได้หรือแกก็แสดงตัวให้ชัด ว่าตัวเองแกคือมัจจุนทลีลูกชายแล้วก็แสดงความเป็นเทวดาให้ดูเพราะว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมมรรคสูตรโปรดบรรยายพุทธบริษัทอยู่ในเขตนี้ขันนี้เองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีใจไม่ดีไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระกินาชีแม้แต่ทางการกุศลก็ไม่เคยให้ ราวดิตายไปได้เป็นเทวดาก็เพราะก่อนจะตายได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงคู่เดียวเพราะฉะนั้นเวลานี้เราเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิวโลกมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าเปเป 500 เป็นบริวารมีความสุขสําราญมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นดิดาของข้าพเจ้า อาตมาเจ้าขอแนะนําท่านขอให้ท่านกลับใจจากเสี้ยมใหม่แก่ความเป็นผู้มีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เสียสละไม่ได้ทรัพย์นิดหนึ่งจงเป็นผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งได 3 ได้แก่คือพระพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังฆรัตนะได้แก่พระพุทธธรรมได้สูงแล้วจงมีเจตนงตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ใคร่สนับสนุนว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประจำท่านจะมีความสุขพระเค้ากล่าวอย่างนี้แล้วนั้นก็ปรากฏว่าท่านมหาเศรษฐีรู้ตัวว่าตัวนี้ชั่วผิดมากที่ไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบกับมัตตกุณฑลีลูกชายบอกว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอตั้งใจจะเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการคือพระพุทธรัตนะธัมมรัตนะและสังฆรัตนะและให้จะทายทานตลอดเวลาเป็นอันบรรลุชัยกลับใจของครอบจากวิชชานิธิเป็นสมาธิฐิติได้จัดก็เป็นการแสดงคุณความดีของท่านตามทั้ง 2 คนเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ต้องขอลาท่านกลับก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี